หังจากทำวัดจบปราลบทำสู่กันฟัง ร, รมวัดก็อยเป็นการอ้อนวอน ร, รมวัดเป็นการถลุงกิเลสออกจา ก, กจิตใจของเราให้มันลุดออกไป ร, รมวัดจนมันได้บรรลุธรรมรูปไม่เที่ยง ขี้หน้ามันเลยเวทนาไม่เที่ยงสันย่าไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงบ้าให้มันตรงกับกิเลส ท, ที่เรายึดมั่นถือมัน่นเป็นสุกเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงโลกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญยาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตน มีอุปทานฟังมันทลายออกไปตามฉันหาิกาันตามที่สุดแต่งกองทุกข์ังส้นนี้จะเพิงปรากฏชัดแจ๋เราได้อุทิศสาหารตังสมมาสมพุทังอุทิศอุทิศคือตามทาตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้า ครูที่เจ้าทำางมีสติมีสัมชัญญะมองตรงกันข้ามมันมีตรงกันข้ามลัดๆช้าหน่อยม่าทางมันคง้งออไปตรงๆมันเนินช้าก็ทำให้ไวใวเจ้าเคลียไวใบช้าชนหน่อยถ้ามันหลงก็รู้มันมีอยู่มันมีตรงกันข้าม อย่าไปจนต่อความหลงต่อความทุกข์ก็รู้อย่าไปจนต่อความทุกข์อย่าไปเนินชื่อตรงนั้นไวๆ้ๆหัดให้ไวหัดให้วันสัพพันเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนไวๆ้ๆจะตินี่มาไวมาไวกว่าอันอื่นตานว่าแสงนั่นแหละ ตพระพ เ, เจ้าเปรียบมันแสงเสียงก็ยังช้าแต่แสงนี่ไวสติแปลปว่ามาไวก่อนอื่นใด้ถ้ามีสติไม่มาความหลงก็ามาความรลกความจังเข้ามาความโกรธความทุกข์ความเศร้าหมองก็เข้ามาก่อนจึงเข้าก่อนไวๆตรงตรง ทำได้เปลี่ยนได้ให้ผลได้มันหลงรู้ได้อย่าไปเสียเวลากับความหลงมันทุกข์ก็รู้ได้อย่าไปเสียเวลากับความทุกข์รัดอย่างนี้ลองลดูเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมมีสติสารพัอย่างที่มันจะเกิดขณะที่เรามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็น มักจะเข้าไปเป็นถ้ามีสติก็เกิดการเห็นการเห็นนี่อย่าอย่าให้มีอะไรพลนเข้าไปเป็นการเห็นซื่อเห็นตรงๆเห็นหลงก็เห็นแต่ความหลงอย่าไปทไําไมมันจึงหลงอย่าไปถือว่ามันผิดเอาความหลงเป็นความผิดเอาความรู้เป็นความถูกอย่าให้มัน มีเจือปนแบบนั้นให้มันรู้เฉยๆรู้ซื่อซืรูว้วริสุดมันง่ายๆถ้าไปเอาผิดเอาถูกเอาเหตุเอาผลโดยใช้สมองใช้ ว, วัตถุกจึงอื่นมากับนดเพราะเขาทำให้เราหลงเพราะเขาทำให้เราทุกข์ บางทีไปโทษโยงเหมือนกันเราทํำให้เราเสียเวลาแตโทษโยงโทษนี้ให้ใช่ปฏิบัติตรงจะเป็นยังไงก็ตามเข้ามาหาความรู้สึกตัวให้มีสติให้มันตรงเข้ามามันจะได้สัมผัสความตรงตรงปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติออกจากทุกแล้วปฏิบัติสมควรแล้ว นี่คือพระสงฆ์เกิดจากพระสัษธรรมเพราะปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงอย่างนี้เรียว่าเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เกิดจากอุปชาบวชออกจากโบสนั่นเป็นสมมุติสงฆ์พระสงฆ์พระตาตไตจเกิดจากปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติตออกจากทุกปฏิบัติสมควรไมตึงไม่เครียดพอดีพอดี นี่คือเกิดจากประสงค์ที่เป็นพลัดไตไม่ใช่ประสงค์จากสมมุติพลัดไตหมายถึงเบื้องหน้ารงชัยมันหลงรู้เป็นรงชัยมันทุกข์รู้เป็นรงชัยมันโกรธรู้เป็นธงชัยปักลงไป ถ้าที่ได้มีความรู้ถึงอนมีศาสตร์นามีพุทธศาธสตร์นาถ้าตรงไหนมีความหลงความโกรธความโลภความทุกข์มันนั่นไม่มีศาสตนาแล้วมันก็เยียร อ, อะไรไม่ได้เหมือนศาสตนาของกายถ้าหิวข้าวก็จิ้นมันเยียรได้มันเช่เชความหิวได้ถ้ามันร้อนก็อาบน้ํามันเยียรได้ถ้ามันหนวาวก็ห่มผ้ามันเยียรได้ ถ้ามันโหลงก็รู้มันเจอะอันทุกก็รู้ตัวเนี่ยมันเจอได้วัตถุอันเดียวไปแ่ไม่เหมือนต่างวัตถุเป็นโลกทั้งอันเดินโลกของใจโลกของนมานมธรรมน่ะง่ายเหมือนโลกของลูกโลกของลูกก็มันอาบมันร้อนก็อา บ, อาบน้ะมัาานหนาวก็ห่มผ้าฮะแน่นมันคนละอย่างกัน แต่โลกของนามนี่อันเดียวคือสติสัม ช, ชัญญะมันง่ายๆอย่างนี้มันน่าจะทําได้เราไปทำสิ่งง่ายให้มนันเป็นเรื่องยากปฏิบัติเราทมันง่ายๆตรงๆชื่อๆเข้าไปเวลาใดก็ได้เอากายเอาใจมันเป็นวัดสดุอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมาเรียกว่ากรรมฐาน ตั้งไว้ตรงนี้เราไม่มีที่ตั้งก็ไม่งอกไปงามมาเราปลูกต้นข้าวปลูกต้นไม้ต้นว่้ถ้าปลูกตงลงดินถึงจะงอกงามขึ้นมาเห อ, อตนตอนว่ที่เห็นโค้งแต่ก่อนเนี่ก็เป็นป่าพงป่าหญ้าคาไม่มีต้นไม้ แดีวเราก็สร้างขึ้นมาป่าพงป่ายะข้าก็หมดไปก็มีต้นไม้ขึ้นมาแทนเมื่อมีต้นไม้ขึ้นมาแทนก็เป็นเหตุออกมาจากธรรมชาติก็ชีวิตของเราก็มีป่าอาวิชชาคือไม่รู้เมื่อมีอวิชชาไม่รู้ก็มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นจากป่า หลายอย่างมีเสือมีสิงมีงูพิษณที่ใดมีป่ายาประมาทเสืออุบาทิไปอยู่คู่สถานพอจับจ้องมองเหยือ่อทุกวันวันใครเดินผ่านไม่ระวังมนหวังตายป่าคืออวิชาเมื่อมีอวิชาก็ไม่รู้พอให้เกิดกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะกำาักความชังควิตกกองกวลเศร้าหมอง หลวงปูกสติรลองไปพุะทีเจ้าก็ว่าอย่าให้พากันถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้มาถึงอวิชานี่เองแล้วก็ปลูกสติร้องไปปลูกสติคือวิชาเมื่อวิชยัยทีอใดก็สว่างมีปัญญา วิชาปัญญาคือความรู้สึกตัวนาทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาวัฒนเนระเฉยโยปัญญาประเสริฐกุศลไหนทั้งปัญญาเนี่ยเอาเงินอาทองมาจ้างม่ให้มันโกด เ, เงินวาทองมาท่างไม่ให้มันทุกข์มันเดือดร้อนมาได้มีปัญญา อันแเกิดจากกาเนิดคือวิชาวิชาคือความรู้กแค้งเห็นความหลงเห็นความรู้เวลามันหลงเวลามันรู้มันต่างกันยังไงรู้กแจ้งลับผิดความรู้ความหลงไม่มีคําถามม่แต่คําตอบตัวเองต้องตอบตัวเองถามคนอื่นไม่ได้ นี่แต่ว่าโลกแจ้งหลวงพ่อหนูหลงหรือเปล่าไม่มีคำถามไม่มีใครเชื่อเราได้ต้องมีกรรมฐานแบบนี้เพียงจะช่วยตัวเองได้เราจะมาศ <c oughs> ึกษากัน ศาสตเด้ยออ หลงฝนฝนมาล่าตีนี่ ที่นี่สุกโตอาจจะมีหิมะลงนะแล้วที่วิหาเตรียมให้ผมไว้ดีๆนะมีข้างหนึ่งอ่ะแต่ไปีรอ้อยสอ่ะที่นี่มีหิมะลงต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นไม้ใบใหญ่ๆตายกันเปนแถวเลยเสือล่องตลอดเกิน ปีห้ารอย่สิบหกอ่ะแต่ก่อนที่นี่เป็นไร่ชาวบ้านเขาปลูกข้าวที่เราเห็นโค้งไปเนี่ยเป็นไร่ชาวบ้านก็ปลูกข้าวช้างก็อยู่นี่ไป ก, กินข้าวหัวนรงเน่เสือก็เดินไปทางเที่ยวาเดินนี่เป็นทางลาดสูงทางลาดสูงโลดลาดสูงโล ด, ต, ด, ต, ด, ต, ดต้นตัดต้นไม้ หลงเลื่อยเขาีฮ้าร้อยสิบหกเสือเดินจากที่ล่องไปม อ, ออกไปที่ว่ดไม่สุดสมบัติไม่สุดเป็นเป็นเป็นที่ลานท่อนชุมเขาลากไปกองไว้ที่นั่นล่องไปไปอยู่ที่นา ก, กนก็ลองกลับมา <c oughs> เดลด้วยลองให้ตลอดเพลนกติก็ไม่มีฝาไม่เลียนลำอากาศนอนหรอแถวกติ Ks ปกติจนไม่เลียนลำอากาศมาเนื้อหันอนเสือร้องหนาวก็หนาว ถ้าผมก็ไม่มีนอนไม่หลับไม่นั่งแข็งหลงตื่นเช้ามามาดูรอยเสือรอยเท่าเหมือนเดินเลยเล็บโค่งใหญ่เ่ยป่ามันก็ต้อมีเสือป่าในคิตเราคือความอวิชาพิเตรนหามันเล็บมันงามนะเขี้ยวเล็บ อันตรายขบกัดคนเจ็บปวดอันเสือในป่าไม่ค่อยกัดใครเท่าไหรแ่แต่ว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยมันทำลายคนมากกว่าเสือในป่ามันมีพิษเจงมาปลูกวิชาึ้นมามาถางตอารู้ทีหนึ่งก็เตียนไปทีหนึ่งตอารู้ทีหนึ่งก็ล่งไป <c oughs> ตาคือก็ไม่รู้ก็หลงหมดไปหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปง่ายที่จะรู้ความหลงก็ไม่มีแล้วมันแสงสว่างกําจัดความามืดเราไม่ต้องไปไล่ความมืดดอกยังแต่จุดแสงสว่างขึ้นความมืดก็าหายไปอะไรต่างๆตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นตรงนี้ ไม่มีอะไรที่ไหนมากมายแร้วเป็นส่วนตัวส่วนตัวเราก็ช่วยตัวเองให้เป็นมันสนุกดีสนุกเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่โยโม้มันถูกต้องสุดยอดเอนเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้มันชอบที่สุดหลอเหมือนกันเราไล่ยุงออกจัก กายของเราโยมกัดมันก้าวแบบมันไล่ออกไปมันถูกต้องที่สุดแล้วมันก็ไม่เก็บเนี่ยโยมออกไปแล้วมันก็ไม่เก็บความหลงเนี่ยมันก็บ่ามันทิ่มเรามันเป็นภาระความทุกข์ก็เป็นภาระความโกรธก็เป็นภาระเมื่อเราลูกขึ้นมามันออกไปออกไปมันดีที่สุดเลยแต่เราไม่สัมผัสไม่ดื่มรสวันนี้คือรสพระธรรมน่ะ แล้วไปเอากงจับเป็นดอกบัวมาผลหัวตัวเองเก็บปวดเท่าไหร่ก็เอาอยู่ตรงนั้นเพราะไม่เคยทำไม่เคยฝึกขัดตัวเองเห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นงูเป็นปลาเห็นผีเป็นถูกมีไหมทุกข้ามวันข้ามคืนนี้ไหมปวดข้าบวันข้ามคืนนี้ไหม เป็นทุกข์เป็นโกรธต้องความคิดเฉยเฉยไม่มีใครมาทําให้เราความโกรธั้นก็ไม่ฉี่ช่างขี่ม้ามาไม่มีสติอาวุธ์เพียงเกิดขึ้นกับใจก็น่าล้มเท่านั้นเองแต่เราทำไมทไมําำมมาเสียเปรียบเคยไหมเสียเปรียบความโกรธไหไหมเสียเปียบความทุกข์ไหมไหมโอ๊ยเสียดายบางคนเสียเปรียบส่วนตัวไม่บอไปพานคนอื่นด้วย ใหเ้เป็นโทษเป็นโทษหรือ้่ากันตายแม่โกรธให้สามีผูกลูกน้อยที่เตวโดดน้ำแต่พาลูกตายแต่น้ำไม่ลึกแม่ลอยคอได้แต่ลูกบัดอยู่ในเอวตายไปความโกรธนะมัน้ลยก่ยเสือเพราะนั้นเราเนยะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นลมันไม่มาก เราก็มาฝึกหัดตัเนะ้เนี่ยมามีสติเนะี่ยส่วนตัวอย่างเราสวดมนต์ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้เทวดาที่ใด อ, อ, อ, อ้อนวอนหรืออย่าไปมองออกไปนอกตัวเลยเทวดาคือหินิอุตปะสัมปันนังมีสติมีความละอายต่อความคิดละอายต่อความชั่ว <c oughs> ไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าทำชั่วไม่กล้าพูดชั่วเทวธรรมนะได้มองเทวดาที่ใดท่องฟ้าหรือลูกขะเทวดาปุ่มมะเทวดาอากาศชาเทวดามองท้องฟ้ามองพุ่มต้นไม้มองพื้นดินยกลูกเุ่ย ก, ยกที่ออกไป มันไครตัวมันไม่ใช่ขอร้องอย่างนั้นสัตว์ตวัวหน้าสัตว์เราได้ยังไม่รู้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เราน่าหน่อยรู้มันคืออะไรว่าเช่ออ่อนมอนออกจากตัวเราเทวดาคือไม่กล้าชิดชั่วพูดชั่วสัตว์อะไรที่มันเกิดขึ้นจากเรานี้มีไหมเกิดความหลง เป็นสัตว์ประเภทใดเกิดความทุกข์เป็นสัตว์ประเภทใดเกิดความโกรธเป็นสัตว์ประเภทใด <c oughs> มีผู้ปุ่มอยู่นี่ไหมมันจริงหรือเปล่ามันมาอาศัยเกิดที่จิตที่ใจเรานะถ้าจะเป็นเปตป้า็นความหิวไม่รู้จักพอหิวยากไม่ใช่ยากทางทอง้องยากความคิดท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็ม สุรกายก็ขี้ขาดไม่ไม่กล้าไม่กล้าทําความดีแล้วความชั่วพอใจเสียกโกรธถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมขี้ขาดดื้อด้านไม่รู้จักอนะ่ะสอนด้วยถ้ากูไม่ได่ดา ม, มันกูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมนะมันขี้ขาดเป็นในสุรกาย เอาชีวิากายพัฒนาไม่ไถ้าคิดไปเพ่นน่จึงมีเทวดาคือมีหิลิอ้ายความคิดตัวเองความคิดเนี่ยมันเปืเป่อเพื่อนมากกว่าการกระทำนะการที่เกิดจากการกระทำมันตั้งต้นจากความคิดก่อนถ้าตัวคิดเนี่ยเป็นจําลอยหมาเลขหนึ่งหลานกายเป็นจําลอยหมาเลขสองบาบวกบาบวกก า, ายอันคิดนะี่ย จิตมีบาปก่อนขอให้เทวดาคือมีความรู้สึกมีความเลิกได้บางทีเราไปเข้าใจว่าเทวดาอยู่ที่ไหนไหลตาไปไ ป, มมประชุมทิปัจนาจารย์ปีห้าร้อยสิบเอ็ดไปส่วนมนอยู่ทีทวัด อ, อุโมจงจังหวัดเชียงใหม่พระเป็นพันพัน ตอนนั้นคืนธรรมวัดก็นั่งสมาธิกันเจ้าคุณพี่มรรฐธรรมเป็นประธานใหญ่พระกรรมฐ า, านทั่วประเทศหลวงตาเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยไผ่ม า, นานก็เป็นพระนมนมอยู่ฝนงบนละทำส อ, อาธิฝนตกฝนตกก็จีงไหมหักคืมลงมา พระกาทำสมาธิบ้างลูกก็ตื่นตกใจพอหยุดจากสมาธิแล้วเจ้าคุณพิบูลลธรรมก็ถามว่าปฏิบัติมานี้หนึ่งชั่วโมง <c oughs> ทำสมาธิมานี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง <c oughs> มีพระรูหนัง่งก็พูดว่าตอนที่นั่งสมาธินั่นผมเห็นตัวอะไรตัวเขียว มานั่งอยู่เฉียงไม้เฉีงไม้เลยหักลงมา <laughs> อาจารย์เจ้าคุณโ อ, อ้นั่นแหะพระอินทร์พระอินทร์พระอินทร์ตัวเขียวๆ <laughs> <laughs> ถ้าเทวดาส่วตัวแดงๆใช่ไหมหปไปเห็นรูปพระอินทร์เขียนเขียวๆหรือรูปเทวดาเขียนสีแดงๆโอ้ยเสียดายไปมองอย่างนั้นไป มองเทวดาคือลูกขาเทวดาอินเทวดาอายู่นอกตัวเรามันต้องเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราแต่น่าเชื่เนี่ยปฏิบปทามันมันโย่อโลกเข้ามาในจอน้อยๆคือความรู้สึกตัวนผะ่านนี่ทั้งหมดแหละอะไรเกิดขึ้นกับผานมาตรงนี้ อะไรต่างๆแปด0มื่สี่พันอย่างผ่านมาตรงนี้ไม่ต้องไปท่องหนังสือในด้านการศึกษาธุระของพุทธศาสนาคันถาธุระศึกษาเรียนรู้ตำหรับํำลานั่นก็เป็นทางหนึ่งวิปัสสนาธุระเอากายเอาใจเป็นํำลาเลยพระสีรัตะไม่มีหนังสืออ่านแแต่ตัวเดียวน้องอยู่ต้นฉีมาโพ มีกายมีใจนี่ดูไปมันหลงไปทางใดมันเกิดอะไรขึ้นเดีว่ามานคิดถึงเพ็ญพาลาหนเอา้ามันไปแล้วกลับมาไม่ให้มานั่งคิดถึงลูกถึงเนียนะกลับมาคิดถึงปัสสาวะสามฤดูกลับมาคิดถึงสาวสนมกำนันในกลับมาคิดถึงพระราชวังกลับมา ถึงไฟฟ้าบริวารกลับมาในตกับมันมันคิดไปยอมมีทุกคนความคิดเนี่ยใครก็้องคิดเป็นหลงตาก็าคิดเจ่งมากสมัยปฏิวัติใหม่ๆโอ้ยแทบจะเอาตัวไม่รอดทิ้งลูกทิ้งเมียมาทิ้งงานทิ้งการมาไม่มีใครเห็นด้วยเลยน้องชายเนี่ย เกลีใจเรานี้มาปฏิบัติธรรมมาบวชัาว่าเราหมดปัญญาอาว่าเขาอายคนว่าพี่ชายไปบวชเหมือนกับหมดปัญญาเสียแลว <S an> อายคนเนี่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยแม่ก็ไม่เห็นด้วยฮก็ยอมคิดนะ่ะโอ้ยอันความคิดนั่นแหละทำให้เราบรรู้ธรรม ความรั ก, กันแหละความโกรธอะไรต่างๆทำให้เราบรรลุธรรมเห็นหน้าตามันซึ้งๆเลยกิเลสตัณหาก็เห็นหน้ามันนินวรณ์เราทําก็เห็นทําไมไม่เห็ น, วหาหา น, นความโมโหหอนอนความละเลยสงสัยความคิดผุ้งซ่อนวันนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดกันแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันได้บรรลุธรรมเพรเรื่องนี้ มันมีทุกข์กันแหละได้มาโลธรรมความทุกข์แท้แท้พาให้เราได้มาโลธรรมค้นเจ้าความทุกข์ไปได้ความหลงแท้แทความโกรธแท้แท้อย่าปฏิเสธเลยดูดีดีมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกถ้าเรารู้สึกตัวมันเรื่อง ง, งา่ายง่ิเลศปัญหาต้หาหน่อยแปดถ้าเราไปงองนี่มันน่ากลัวถ้ามามองดูโอ้ยมันเกิดขึ้น เป็นอารมณ์เรว่าธรรมต่างเราศึกษาเนี่ยกายารัตนามีสติเห็นกายให้กายเห็นกายเห็นเป็นรูปเห็นใจเห็นเป็นนามอันนั้นก็ดุ้นดุ่นกันไปส่วนรูปคือดุ้นก้อนสัมผัสได้ร้อนหนาวเก็บหายเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีส่วนนามมันเป็นอาการที่รู้อะไรได้ มันรู้ได้นามะธรรมมันมียกอย่างนี้มันมีนามอันนี้ไม่มีนามบอกก็มันยกมันก็ไม่รูดโจนเสามันก็ไม่มีนามมันเป็นรูกมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไอ้ล้งตาเป็นคนทำเบงเสาโจนนี่มาทํามนี่มันก็เป็นสียงน้ำปวกกินแล้วตัดต่อต้มหม้อปนแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่นี่คือนามมันทำอย่างนี้อะไรสั่งมัน มันทำอย่างนี้อะไรจังมันอันทําอันนี้ทําชั่วหรือทาดีทำอันนี้ทําชั่วหรือทาดีรูปทํานามทําเราใช้รูปทําอะไรเราใช้นามทํางานเถื่อนไหมรูปนามเนะี่ยระหว่างรูปนามเนะ่ยเป็นทําต่อกันไหมรูปเบียดเบียนนามไหมนามเบียบเบียนรูปไหมกินไม่ได้นอยมาหลับมันเกิดจากความคิดรูปโกําบาก เกิดโครคไปที่เจ็บน้ำก็ลำบากตกนรกเป็นภูมิต่างๆเบียดเปลี่ยนกันไม่มีไม่มีเจ้าของดูแลไม่มีสติไม่มีจัมพ์จัญญะเตือนทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อกันและกันพอมาเห็นแล้วโอ้ยน้าตาล่วงเลยสงสารลูกไม่มีใครช่วยลูกสงสารนา้ำไม่มีใครช่วยน้ำปล่อยป่าละเลย มานะปฏิบัติธรรมนี่คือมาดูแลลูกมาดูแลนามให้ดีย่าให้ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษการมาทำมาดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นบุญที่ชดลอยมาลูตัวเองเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญมาลูตัวเองเนี่ยมันละ บ, บาปมาลูตัวเองทําให้เกิดกุศลเกิดความเฉลียวฉลาดนะมาลูจงมาลูจักตัวเองคํานี้ม่ง้งไย ว่าคนพบเขี้ยวได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการตกบัวบานอยู่ในเรล่ายาเขาไปในดอกบัวมีไม่ในอเดกุตเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตัดสรู้หรือรู้จริงใดๆดล้วนมาจากความรู้ในรูปในนามในอันกุ้งสอกจาวานหาเคืบมีสัญญามีจิตใจนี้ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็โอ้เสียชาติแล้ว ให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาเชื่อพวกเราท่านหลงไปยังไงท่านรู้ไปยังไงท่านทุกไปยังไงท่านรู้ไปยังไงลองเปลี่ยนตรงนี้เลยถ้าหลงเมือนหน้ามือผมไม่หลงเมือนหลังเมือความทุกข์เหนหน้ามือผมไม่หลงเมือเราเราบอกให้ทำตรงนี้ไม่ใช่เราสอนถ้ามันหลงก็รู้ซาถ้ามันทุกข์รู้ซะเปลี่ยนลองโดไม่มีใครเปลี่ยนให้ท่าน ถ้าท่านโกรธท่านต้องเปลี่ยนความไม่โกรธรู้สึกตัวต้องช่วยตัวเองให้เป็น อ, าตา อ, าตานอัตหิอัตโนราโถตนนั่นแหละเป็นไปเพึ่อของตอนใครเล่าจะช่วยเราได้เจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวหล่นตาเคยตายมาแล้วเคยเจ็บสุดยอดเลยมันดีดีปฏิบัติธรรมนะในความเจ็บมันก็มีความไม่เจ็บ ในความหลงมันไม่ความไม่หลงในความทุกข์ก็ไม่ความไม่ทุกข์ตรงนั่นแหละเราเจอหมดเนื้อหมดตัวความทุกข์ความหลงมันก็ไม่ข่มข้าแล้วมันมีทางจงที่วันหลงทางถ้าหลงทางก็พบทางถ้าไม่หลงก็ไม่พบทางมันก็ไม่รู้ถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์พุทธเจ้าจะตัดจะรู้ว่ า, วาทุกข์เนี่ย เห็นของจริงประเสริฐแล้วเห็นทุกข์ก่อนออกแกวทุกข์ไปเห็นความหลงออกแกวความหลงว่าเห็นความโกรธออกากวความโกรธไปมันอันไม่ดีนี่แหละทาให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอัชนะในได้ชนะการเกิดการแจกการเจ็บการตายจึงเป็นพระพุทธเจ้าเราจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา ถ้าเจี่ยวที่ก็เปนโทกแก่ก็เป็นโทษตายเป็นโทษไม่ใช่เลยมันมีปัญญามันเป็นศินลปะเดี๋นี้อาจารย์ใหญ่กรรมฐานแม่ไก่ก็ป่วยหนักลอดแต่ยากพวกเราก็ทําใจวน่าจะให้หลวงตาตายก่อนเนา ะ, ะหมอสินเดลี อ, อายุมากแล้ว อ, อาจารย์หนุ่มอาจารย์กรรมฐาน เป็นอาจารย์ผู้เพาะบ่มพระนักกะท้ายเป็นอย่างดีเลยก็ยอมรับโลกหนักหงาสาหดรอยมันต้องเป็นจริงอย่างนี้เกิดเจเกิตายแต่ไม่ต้องเป็นหวงท่านตานไปวนเดงตัวเองมาอย่างดีให้พวกเราดีกว่าเนาะอะ๋วันนี้ก็ต้องก่นเจอิญเราครับครับครับ